พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าิบสองลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9พฤษภาคม2556ห้าห้าสหมีชื่อเรื่องว่าปิดประตูดูใจวันนี้เป็นวันที่เก้า พฤษภาคมพุทธศักราช2556เป็นวันเดือนห้าดับเป็นวันพระใหม่พระหน้าก็เป็นเดือนหกเพนแล้วเนีเป็นวันเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันประสูตรตัสรู้ปรินิพานของพระพุทธเจ้า วันเดือนหกแผ่นหน้าอีกสิบ้าวันหน้าแต่วันนี้เป็นวันเดือนห้าดับเป็นวันไหวพระสวดมนต์เป็นวันปฏิบัติธรรมประจําวัดของพวกเราตามปกตินวันแปดคำ่คำสิบห้าค่าเราจะพร้อมกันไหวพระสวดมนต์แต่ปีนี้เป็นกรณีพิเศษแต่ก่อนทุกปีที่ผ่านมาก็ มีกรณีพิเศษเหมือนกันคือนักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์มหิดลศิริราชเข้ามาบวชช่วงที่เข้ามาบวชหลวงพ่อเองก็ให้พระผีเลี้ยงทางหลายไหว้พระสวดมนต์วันไหนหลวงพ่อมีเวลาหลวงพ่อก็ได้มาร่วมสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำพทูดพูดในปัจจุบันกล่าวสมโมตนยกถา เรื่องราวทั้งหลายที่จะให้ลูกหลานพระลูกหลานทั้งหลายได้ศึกษาได้เรียนรู้ก็ได้พูดเป็นแนวทางให้ฟังถ้าวันไหนหลวงพ่อไม่ได้ลงมาเพราะภารกิจติดธุระก็ฟังธรรมเทศนาที่หลวงพ่อได้อัดเอาไว้ต่างกลมต่างวาระเหมาะสมที่จะได้ยินได้ฟังในนั้ น, น, น แต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อเองจะนำธรรมเทศนาของหลวงตาหรือครูบาอาจารย์ที่พวกเราจะต้องศึกษาเรียนรู้เอามาเปิดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังแต่ช่วงหลังๆสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของพวกเราเปิด MP3 ของหลวงตาเป็นหลักจากนั้น ครูบาอาจารย์องค์ต่างๆมีหลวงปู่ลาหลวงปู่ซิ่งทองหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงปู่ชิมหลวงปู่ชาหรือพระเถระผู้ใหญ่หลวงปู่เจ้ามากมายหลวงปู่คำรีมากองค์ที่ได้แสดงธรรมเพราะนั้นหลวงพ่อเองเลยไม่ได้เอาครูบาาจารย์ท่านเหล่านั้นมาเปิดให้พวกพระลูกหลานได้ฟัง เพราะลูกหลานถ้าหากว่าใยใยในการศึกษาลูกหลานก็จะเปิดฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ตอนกลางวันแต่ถ้าว่าตอนกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีห้าจนถึงสว่างจะเป็นธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่ท่านอบรมพระเราจะเน้นเรื่องการอบรมพระภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนา ตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้ลูกหลานอยากจะฟังก็เปิดฟังได้เลยอันนี้ก็คือธรรมเทศนาเพราะนั้นหลวงพ่อเองไม่ได้เปิดเทศของครูบาอาจารย์ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะอีกส่วนหนึ่งลูกหลานเข้ามาก็เพื่อการศึกษาอยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาศึกษากับหลวงพ่อเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็นําแนว ความคิดเรือประสบประการที่หลวงพ่อได้ผ่านการศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่สมัยเป็นเนรจนถึงเป็นพระจนถึงปุนนีละ่ะหลวงพ่อก็ได้ฟังศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างกลุามต่างวาระจากนั้นก็ได้ศึกษาธรรมะในพระไตรปิฎกสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์หลวงพ่อก็จะนำมา การกลองไตรตรองเหตุและผลแล้วก็พูดให้คณะลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นลูกหลานพระทุกองค์ที่เข้ามาเพื่อการศึกษามีหลายระดับการศึกษาก็มีหลายระดับชาติตระกูลก็หลายระดับความรู้ความฉลาดความสามารถหลายระดับที่เข้ามาบวชเพราะนั้น หลวงพ่อก็พยายามบางทีก็พูดในแนวเรื่องเกี่ยวกับศีลและวินยัยในการศึกษาในการเสียสละเพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายบางท่านบางคนก็เมื่อได้ยินอันนี้ก็ชอบใจเมื่อได้ยินนนั้นไม่ชอบใจ เมื่อได้ยินอย่างนี้น่าฟังหลวงพ่อเองพูดที่จะบอกกล่าวหรือว่าจะแนะนําจะนําสิ่งที่มาบอกกล่าวให้พระลูกพระหลานฟังบางทีก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาบางท่างก่า ยกอุปมาอุปไมเป็นชาดกเป็นนิทานบางทีก็เป็นพุทธสาวกลูกพระสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกสาวิกาสาวิกาก็คือคนในครั้งพุทธกาลเป็นฝ่ายผู้หญิงนามสาวิกาสาวกก็คือว่าฝ่ายผู้ชายอุบาสกคือภยมผู้ชาย อุบาสิกากคือโยมผู้หญิงบางทีกนได้ยกสาธกขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับให้พวกเราได้ยินได้ศึกษาคนในยุคนั้นเขาคิดกันอย่างไรเขาศึกษาอย่างไรเขาปฏิบัติตนอย่างไรแนวความคิดของเขาเขาคิดอย่างไรแต่สรุปแล้วก็คือไม่แพ้พวกเราเหมือนกันคนในยุคนั้นสมัยนี้ความคิดแนวแถวเดียวกัน แต่ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาแต่พอได้ศึกษาขึ้นไปแล้วบางคนก็ไม่เชื่อฮะทิฐิตรงนี้นะความไม่เชื่อตรงนี้นะมีอยู่ทุกๆยุคทุ ก, ก, ทกสมัยวันนั้นจะทำยังไงจะแนะนำสั่งสอนยังไงจะอุ ป, ปมาอย่างไงให้ฟังแต่พอได้ยินได้ฟังแล้วก็มีเหตุมีผล ในเรื่องที่ได้ยินได้ฟังนั้นจากนั้นก็นำมากันกลองไตตรองและก็ปรับปรุงกายวาจาใจของตนเองก็มีมากต่อมากเพราะเห็นรู้แจ้งเห็นจริงเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าบางคนก็ยังว่าอีกเหมือนกันฟังอย่างไงอย่างไงก็ไม่เข้าใจเพราะเหตุอะไรเพราะไม่อยากเข้าใจอย่างนี้ก็มีมากอีกเหมือนกัน วันนั้นยุคนั้นสมัยนี้ก็เหมือนกันเราจะไปเป็นทุกข์กับการแนะนําสั่งสอนคนที่คนไม่เชื่อเราก็ทุกข์เปล่าแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อกระสุดแท้แต่ท่านผู้เข้ามาศึกษาแต่ว่าการแนะนําสั่งสอนเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์และเป็นหน้าที่ของเราที่ได้ยินได้ฟังมาอย่างไงก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้คณะ ผู้ที่เข้ามาศึกษาแต่เราก็หมุมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ที่เข้ามาศึกษานั้นเข้าใจในหลักธรรมคำสอนและแนวทางปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอันนี้ก็คือในความตั้งใจที่พวกเราหรือว่าหลวงพ่อจะบอกกล่าวแนะนำ ยิ่งในใจก็คือไม่อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาแล้วเปล่าประโยชน์หรือเข้ามาแล้วไม่ได้รับความรู้ความฉลาดไม่ได้รับพระธรรมคาสอนที่เหมาะสมหรือแท้จริงด้วยหลักเหตุผลเข้ามาแล้วก็เล่ล่อนผลที่สุดพอออกไปแล้วก็มันไม่ใช่ออกไปเฉยเฉยออกไปก็เป็นการกล่าว ดูถูกเกียดจยามพาะว่าเข้ามาแล้วมาได้ศึกษาปฏิบัติสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อี่คิดไว้เต็มใจเหมือนกันก่อนที่จะรับพระลูกพระหลานเข้ามาแต่ถึงหลวงพ่อจะไม่ได้ลงมาสาลาหลวงพ่อก็เน้นกับพระที่เป็นผู้ที่จะเป็นผีเลี้ยงหรือว่าผู้ที่จะบอกกล่าวแนะนำ เอาเอ็มาเปิดให้ฟังการเปิดหุวงพ่อกเน้นอีกจะให้ฟังอะไรต้องตรวจตราดูให้ดีนะไม่ใช่ฟังเรื่องไม่เป็นเรื่องจับมาแล้วก็ใส่เข้าไปไม่ใช่เราต้องได้ฟังก่อนพี่เลี้ยงต้องฟังก่อนวันนี้จะเราจะให้ฟังเรื่องอะไรถ้าาได้ฟังเรื่องศีลธรรมจริยธรรมแนวความคิด ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนอย่างไรอุบาสกอุบาสิกาในยุคนั้นสมัย ม, ยยมยนั้นท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรสําหรับพระสงฆ์สมณเณรในยุคนั้นส ม, มัยนั้นรักษาวินัยอย่างไรรักษากฎระเบียบอย่างไรท่านมีศีลอย่างไรท่านอยู่ด้วยกันอย่างไรอ้ในหลวงพ่อก็จะเอาแนวจริยธรรม การอยู่ด้วยกันกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันจากนั้นก็เพียงแต่แค่นั้นยังไม่พอจะต้องแนะแนวทางด้านจิตใจอีกพอหลักของพระศาสนาที่พวกเราจะได้ศึกษานั้นไม่ใช่เราจะอยู่ในกฎระเบียบเท่านั้นเราต้องสะสะแสวงหาธรรมะเข้าสู่จิตใจอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจะเปรียบเทียบกับทางโลก พวกเราก็อยู่ในกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองเขาบัญญัติขึ้นมามาตราที่นั้นโทษนั้นโทษจำคุกขดประหารเขาก็บอกไว้อันนั้นคื อ, คอโทษถ้าเราทำผิดก็ต้องต้องโทษต้องติดโทษเาขาต้องลงโทษเราจะไปคารบแต่โทษเท่านั้นไม่ได้เราก็ต้องสสแสวงหาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงชีพของเรา จะทำยังไงเราจรึงจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองในการเป็นอยู่ธรรมหาเลี้ยงชีพและก็ไม่ผิดกฎกติกาของเขานี่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะขบวชเข้ามาแล้วก็เราก็เคารพในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้สำหรับพระสงฆ์ปฏิบัติตนอย่างไรกับพร้อมกันเราก็เคารพในกติกาแล้ว แล้วก็แ ส, สวงหาธรรมะเข้าสู่จิตใจคือการแ ส, สวงหาทรัพย์เข้ามาสู่จิตใจมีอะไรบ้างในหลักของพุทธศาสนาท่านก่อนเน้นเรื่องกรรมคือการกระทาเป็นเบื้องต้นจากนั้นก่นเน้นเรื่องความคิดจะคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฐิ ก่อนที่เราจะรู้ว่ามิจฉาทิฏฐิหรืสัมมาทิชิตทีนั้นเราจะคิดยังไงเอาตัวไหนมาวัดเอาตัวไหนมาเปรียบเทียบก็ต้องเอาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้คิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิคิดไม่เบียดเบียนคิดไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์คิดไม่ฆ่าเขาไม่ขโมยเขา ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้แหละคือกฎระเบียบจากนั้นก็คิดเข้ามาสู่ภายในเทนคิดเข้ามาสู่ภายในนะก็เห็นมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดแก่เจ็บตายของตนเองอย่าไปไว้ใจในชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยจะอยู่นานสักเท่าไหร่ คิดว่าตัวเองไม่เป็นไรอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะชีวิตเนี่ยไม่รู้จะลงล้มหายตายจากเมื่อไหร่อย่างวันนี้ก็เหมือนกันพระขึ้นไปมุงหลังคาตัวพึ่งพึ่งโพรงมันต่อยมันก็โมโหเหมือนกันมันก็รักษารังข้องมันใชอยู่ในโพรงหลังคา ห้องน้ำต่อยคนอื่นคนอื่นก็กวิ่งพระเอ้ยทำไมขี้ขาดนั่งค่าขึ้นไปพอขึ้นไปพึ่งก็ต่อยต่อยคิดว่ามันไม่ไม่เป็นไรแต่ผลที่สุดมันแพ้ขึ้นมาหายใจไม่อิม่มแน่นหน้าอกจุกหน้าอกเงานะทางว่าเป็นยุคสมัยก่อนถุก ย, ยาไม่ทันมีมีโอกาสเหมือนกันนะ พวกนั้นแหละเรื่องความตายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ใกล้ๆนั่นแหะเราจะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้น่ะมรณะภัยความตายเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างตัวของเราเลยหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่นี่แหละพ่อแม่ผูบายอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวแนะนํำ ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทั้งสังสมคุณงามความดีตายแล้วไม่สูญเน่าตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่ทำให้เกิดนั่นก็คือกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสเหล่านี้จะเป็นเชื้อเป็นพัน์ที่ทำให้พวกเราเกิดแต่ถ้าว่าพวกเราชำละกิเลสออกจา ก, ก จ, จิตใจ กิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจใจบริสุทธิ์ผุดพองจิตใจไม่มีมนถินใจบริสุทธิ์นั่นแหละจิตใจดวงนั้นเกิดถึงอมตะธาตุอมตะธรรมจะกำจัดด้วยพิธีอย่างไรกำจัดด้วยศีลสมาธิปัญญามักแปดมักแปดคืออะไร สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวายากรรมันโตอาชิววายโมสติส ม, มาธิอันนี้เราศึกษาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบขนาดไหนไสัมมาสังกปรการงานชอบขนาดไหนเพียรชอบขนาดไหนไเราต้องศึกษาเลยต้องเรียนรู้จากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติ เหมือนกับเราอยากจะทําข้าราชการเราก็ต้องศึกษาข้าราชการระดับไหนเป็นทหารหรือเป็นตํารวจหรือเป็นพิพากษาอายการเป็นพ่อค้าเป็นอะไรเราต้องศึกษาถ้จะเป็นชาวไร่ชาวนาชารวรั้วชาวสวนเกษตรแต่ละอย่างมันต้องได้ศึกษาทั้งนั้นแหละไม่ใช่เราจะรู้ได้ทุกอย่างไม่ใช่นี้ก็เหมือนกันที่จะตัดพบตัดชาติจะถึง ตกิเลสราคะโทสะโมหะโดยที่รู้แบบง่ายๆที่ไม่ได้เรียนก็รู้ได้มันไม่ง่ายจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเยบวชเข้ามาในพุทธศาสนาให้ศึกษาศึกษาแนวทางตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนเอาไว้พวกเราได้ศึกษาดูแล้ว นั่นแ่ะท่นีองึงจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็รู้จักวิธีการการดำเนินเพื่อรักษาสกายวาจาเป็นผู้มีศีลมีธรรมปฏิบัติตนให้ถูกต้องไม่ได้เบียดเบียนตนและผู้อื่นตามหลักธรรมคำสอนให้ภาวนานะปฏิบัติเห็นตัวเองนะมองให้ดูตัวเองทนำะธรรมำคำสอนของพระพุทธเจ้านะให้มองตนเองสรุปแล้ว มองกายมองใจอันดับอันดับแรกก็มองกายก็คือศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนะั่นคือศีลถ้ามองใจนั่นก็คือธรรมเอาธรรมอันไหนเข้าไปให้ใจเห็นสิ่งต่างๆอย่าไปหลงในหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธ เ, เจ้าที่ท่านสอนพระท่านก็บอกว่า ให้พิจารณากายให้เห็นกายกายคืออะไรกายคือร่างกายของเราเน่ยเกสาผมโรมาขนนาขารเล็บทันตาฟันตะโจนหนังบางสังเนื้อเอ็นกระดูกนี่ยคือนี่กายแต่ในกายของเราก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นแล้วก็มีกายอีกในตัวของเรามีอะไรอีกมีใจอีกอใจเนี่ยคือ สิ่งที่รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนี้คือนามธรรมคือใจตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจอย่างไรถ้าเห็นรูปสวยๆงามๆใจก็พอใจดียกดีใจเกิดกิเลสราคะถ้าตาไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีเขาเบุยปากใส่ทำกับกริยากรรมหมัดกรรมวยใส่เรา เราก็โมโหให้เขาฮะเพราะเหตุไรเพราะว่าดูอากับกริยาของเถวเขาแล้วเขาแสดงกับกริยาที่ไม่ดีต่อเราใจของเราก็โมโหขึ้นในใจฮหูของเราได้ยินเสียงก็เหมือนกันฮะเสียงร้องรทำทําเพลงเรากดดีใจสนุกสนานฮแข่งขาตีมือกระดิกไปด้วยฮแต่เขาด่าเลยไงไม่เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกัน พราะนั้นใจของเราเนี่ยรับรู้ทางตารับรู้ทางหูทำรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายนั่นแหละท่านจึงเปรียบเทียบให้ฟังพระพุทธเจ้ า, าพระรหัส า, าวกท่านเปรียบเทียบว่าในร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ย เ, เหมือนกันจอมปลวกอจอมปลวกแต่ในจอมปลวกนี้มันมีรู มันมีรูอยู่ห้ารูตาหูจมูกลิน้นกายทำไมจึงว่าห้าตาไปเห็นรูปหูไปได้ยินเสียงจมูกไปดมกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นริมรสอร่อยไม่อร่อย ร่างกายสัมผัสนี่แข็งร้อนร้อนหนาวแล้วก็สัมผัสที่นุ่มเป็นที่นั่งที่นอนเป็นที่พอใจอันนี้คือสัมผัสทางกายนี่แหละในเมื่อสัมผัสเข้าไปแล้วมีอะไรเกิดพอใจไม่พอใจถ้าเป็นนั่งไฟ เอมันโมโหทุกถ้าไปนั่งอ่อนที่นุ่มๆก็พอใจนี่แหละอันนี้คือสัมผัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใครเป็นคนสัมผัสใจใจคือนามธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้าใจคือตัวนามธรรมตัวมองไม่เห็นน่ะตัวนั้น่ะตัวโรู้ๆอยู่นั่นแหะนั่นแหละตัวนั้นแหละสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกาย ในครั้งพุทธการท่านจึงได้เปรียบเทียบว่าในร่างกายจอมปวกท่านเปรียบเทียบมันก็จอมปวกจอมปวกมันมีรูอยู่ห้ารูารูหนึ่งก็คือตาลูคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายแล้วก็มีเฮียอยู่ตัวหนึ่งอ่ตัวเงินตัวทองอยู่ในจอมปวกเนี่ยอยู่ข้างในเฮียตัวนี้น่ะอมันโผล่ออกมา โผล่หัวออกมาทางตาเห็นรูปเียเห็นสิ่งที่ตากระทบตัวเหี่ยนี่ก็พออกพอใจถ้าเห็นสิ่งที่ดีถ้าเห็นสิ่งที่ไม่เฮี้ยตัวนั้นก็ไม่พอใจแล้วก็โผล่ทางหูฟังเสียงทางเขาเสียงเพราะร้องรำทำเพลงเสียงเพราะเฮี่ยตัวนั้นก็พอใจไม่พอใจตาหูจมูกลิ้นกาย สัมผัสออกทางกายก็เหมือนกันเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าให้พวกท่านทั้งหลายปิดไม่ต้องคิดไปในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นให้ดูแต่ใจเท่นให้ดูเฮี้ยอยู่ในใจเขาบ่าขดรูดักเข้าไปไปจับประตวเฮี้ยคือดูนึกคิดให้ดูแต่ใจอย่างเดียวไม่ต้องให้มันส่งออกไปข้างนอก ถ้ามันอยู่มีแต่ความรู้สึกอยู่ในจิตใจดูใจแต่มันนึกคิดเรื่องอะไรมันพอใจไม่พอใจอะไรดูที่ใจพอดูที่ใจใจคิดเรื่องอะไรสิ่งไหนที่มันดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีมันได้อะไรจากนั้นพอดูที่ใจแล้วก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมัน่นถือมั่นที่ใจเหตุนอนิจจังทุกขังอนัตตา ที่มันคิดเรื่องต่างๆอันนี้จังของไม่เที่ยงมันคิดมาเก็ปล่อยมันคิดแล้วก็ปล่อยมันกระทบใจแล้วก็ปล่อยเป็นอันนี้จังสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขนะ์นะมันีคือใจกระทุกนะถ้ามันเป็นทุกข์นั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรเอาปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นนี่แหละสรุปแล้วก็คือการภาวนาเลือกวิการปฏิบัติให้เข้ามาสู่จิตใจอย่าไปเพ่งออกไปทางอื่น เข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจนี่แหละตัวใจท่านเปียบเหมือนกับตัวเงินตัวทองตัวเฮียอยู่ในเนี่ยอยู่ในร่างกายของพวกเราทางหากินของมันก็คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้พวกเราสังเกตเมื่อเรารู้เขารู้แนวทางรู้แนวทางคาสอนของพระพุทธเจา้ารู้แนวทางคาสอนของพระสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนี่แหละลักษณะอย่างนี้แหละ ให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาการกรองไตรตรองและกับภาวนาชำละใจของพวกเรานะอตอนนี้ไปเปิด mp 3หลวงพ่ออีกสักการหนึ่งนะเอานั่งสมาธิฟังเลยนะทีนี้นะ